ยาเลครับทำไม่เคยยังไงรีปัญญาครับผมเมื่อคิดสมาิแล้วก็จะมนเกิดปัญญาครับครับ่านรยัญากพื่อเรื่วง่าคิดนสมาทิแล้วก็ต้องให้คุณเดินตามอาการสารที่สองท่าจะพคนรัฟันหนังเนื้ออินกระดูกเยือนี้กระดูกอนมาา ไม่ใจจับทางคิดขยายใจน้อยอ่านใหม่อ้านเก่าอะไอ่ามันเดินอยู่นี้เพื่อใจอือพุทมัมดเดินทำยังไงัคือดูอ่านพุทะดูคือผมดูคนเจ้าของข้าตอบ อ, อือนึกดูผมผมเป็นยังไงอารักษามเป็นยังไงเข้าไปนในหลังลึกประชา้วกุมออกมามันยาวาาย ม, ายมันเริ่มอะไรอือเพาะนี้นจิงยาวมันมีที่สุดอยอือ เาให้เข้าใจให้มซาบที่จิตใจปลาออกมาเช่นนั้นนั่นก็คนสมมติการรบสมมิการดูด้วยนี้ดูความรบดูคเสร็จแล้วอาการของดูเสร็จแล้วดีลยดีเลยจะทุกข์เลทุกข์ลนะสังหรณ์ดีอะไรก็ดูทุกข์ลยดูคือดูเห็นชัดเจนในจิตใจช่หรืึมซาบที่จิตใจ ดูอาการรลักษาของนั้นมันเป็นยังไงถ้าดูดูตอนนี้มันจะเกิดภาพประกอบได้หรือเปล่าไม่มีไม่มีภาพภาพภาพใใไม่มีภาพกระจายในใจไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวของภาพครับอืมใหรู้โดยปัญญาว่าปนี้่ารอรรสามเป็นอ่ไรให้ดูปัญญาดูโดยจิตอันลึกซึ้งเข้าไปนตแล้วก็ดูอาการสามิให้ดูจนทั้งหดแต่ว่าเทียง่ายทีละอย่างละอย่างครับอืมทีละดูทีละอยางอย่างดูทีละอยางะอย่างไป เพื่อจะทาสมาธิของเราให้มีกำลังและสติของเมีกำลังก็โดยโดยวิเศแล้วหมดอาการสามสิบสองไปแล้วียกทีแยกแยกตอนผมทีกองหนึ่งกอครับถอนเล็บไปกองหนึ่งคอนไปกองหนึ่งกองหนึ่งคองหนึ่งทำทำได้คือทำโดยจิตจิตมันทำได้ กองมรุกองแล้วก hey. ็ให้ลึกถดูมรุกอแล้วก็ให้ดูให้บรรอนิจจัทุกครัาใใจิตรู้จว่าทุกครันีทุกครังนจัากแล้วก็อนิจจังทุกั้กยาในจิเหมือนกันดูจิต สุขา่จะให้ด hmm ูดูอาการนี้ละทั ina, ang, ้งสาทั้งสมหลักนะเดี่ยวไตหลักนี่จังสุขานัตาจิตมันเป็นสุขังมันเป็นยังไงดูดูอาการนี้อาการจิตนี่จังเป็นยังไงบันดาลตามมันเป็นยังไงให้ดูให้เข้าใจเข้าใจชัดเจนโดยัญพา อย่าเนกาพิจารณาเป็นจัสมุปาจะเป็นขั้นัญญาด้ยรือล่ามีในตัวการปัญญาสำปัญญาอื่นจัสมุปาครับแม้ต้องพิจารณาอะไรมากมายมพิจาต่างขาพิจารณาต่างขานาวิชาเวิชาน เป็นเจอไม่รู้ถึงความเป็นจริงของชิงจังหลวและใครรู้บ้างในตัวอภิษฐานก่อนสุริยานิีิครเป็นยังไงแปลมกายพิชามาเกิดนั้นยังเป็นยังไงดูอาการที่มันในพิจารณาอื่นดูจุดที่ชาเรนแสงกายไม่ได้แนะังใาอิชาปัจจาสังการาสงฆิยังกายดูไปจำหลับใครซึ่งทว่า าเราพิจารณาตามแบบเป็น <loca> เ <hehe> well, like ่ๆไปมันยาวไปพุูิมิให้เห็นอันอาิชฌานี่ถ้าเกนไปขึ้นมันดับไปจะหลับไปมันดับเองมันเป็นพระไปแวะเดียวไปมนุษย์แล้วสั้งทั้อาิชาทั้งหมดนั่งเมันดับไปมดับด้วมันดับเอแต่ีนี้วิธีที่จะ พิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารยินญาเนี่ยพิจารณาอย่างไงกั้อมือนกันมือกันข้อ<ช>เวทนาสัญชารูปเวทนาสัญชาสังขารยินญาให้ดูรูปก่อนดูรูปเก่อนนอกจากไอ้เวทนาสัญชาสังขารยินญาเนี่ยนะครับมผมอยากได้รลายละเอียดตรงว่าดูรูปดูยังไงครับดูรูปดูทีปป่วางผีให้รู้จารูปเสียก่อนแล้วอก็ ดูลูกเวทนาสัญญาสังขวิญญาณดูไปตามเรื่องไปก่อนรูกเป็นยังไงเวทนาเป็นยงไสัญญาเป็นยังไงสังขารเป็นยงไรวิญญาณเป็นยังไดูให้ละเอียดละเอียดดูละเีากกว่านจะ่คิดอะไรไมคิดะแล้วมันเป็นทางทางหานนันจะเกิดคำถามคาตอบภายในจิตมันมันรู้เองมันรู้เองมันรู้ถึงความเป็นจริง าแต่ตอนนี้ตอนที่พิจารณาเนี่ยนะครับผมมุดอุปจาร์อย่างนี้แหละครับสมมติว่าพิจารณาตอนที่ว่าสมมติว่าสมาธิมันเข้ารุกเข้าไปแล้วถอยออกมาแล้วเป่าครับม่นถอยยในเมันถีอปจาร์ยืนเฉยจิตนาที่ยังเป็นกำลังพิจารณาได้ไม่ต้องปีจาร์เกิดจากตัวาอนพิจารณาเนี้เราไม่ต้องยึดพุทโธมาคนี่มันต้องพิจาราเรงยึดนะฮอันนมัต้องยึดบารกลรงมันต้อยึดวางหมดดูให้รุนให้ลึกซึ้งซาถึงจิตใจเลย ทค่นี <c oughs> ถ้ถ้าสมาธิลึกภาเนี่ยก็ต้องสอนมาไม่ไม่ถอนถอญญไม่ต้องสอนนะครับเลยแต่ว่าประองติดให้ชีวิตปรองจิดแต่ชีวิตกับสมุนาติดีวิตินับสนนิให้ยอยอ <c oughs> ู่เป็ีกันไปถ้าสมาธิเป็นเวลาให้พิจารณาได้ไจริงๆจริงๆถ้ญญานอาจากสมาธิ <c oughs> แล้วไปบัตรเราเอาข้งนอกมันไม่ถูกมันทั้งจรงความจริงแต่เราขาดสมาธิแล้ไดก็ไม่ได้ความ คือเราดูหมายความเรู้ถึงสีสันใจด้วอาการทีสันใจกานดูอันหนึ่งแล้วมันเกดเหมือนกันกระดูทั้งหมดมันเป็นทางแทรกนึกใจรวมบ้างเมื่อเรารูรูปเวทนาสังญังานิยามเข้าใจในในในจิ่อเราอันลึกซึ้งแล้วก็ให้รวมรวมมาตัง้า อท่าจักรคือเวทนาจัญญาสุขัญญาเป็นของว่างเปล่าให้ว่างให้หมดแตยของว่างเปล่าให้หมดไม่มีอะไรจนไม่มีอะไรใหญ่ของแล้วเอาไปากันนี่ในกระลำนย้ันเป็นรูปนะนเวละเอียของการชุ่มระอยดชุมจนหมดจนหมดถูกถ้าชุ่มหมดก็ถูกทีของเราคือชิ้นชิ้ว่างชิ้นงนี้หมายความว่าาความ่าไม่มีอะไรมีชิ้นอยู่แม้คเส็นคติเล็กที่สุดอยู่ในของวาน มันกังกาอากาศอะอรท่ได้มันเหมันกังาอากาศถ้าวาีมิ้นมันก็งกาอากามันม่อะไรบีชูไปทั้งการมเส้นผมเล็ดที่สุดอยู <them kill>. ่ในกาศก็ต้องูไ <that> ม่ไ <them> ด <talk> <harma> <that> ้มันปล่าว่างเปล่านั่นจุดเป็นยไงได้ยินคที่ว่ารูปดับน้ำกระดับใช่น้ำไหลรอกันน้ำก็คือเวชนาชินเวนาชินนิยานรูปคือรูปนี่ไล้ กรดับล่ดับองนไม่ดทันท้องขันดับทองันไอ้นาดับตนี้มันมีความหมายคล้ายๆกับไอ้สังขารนะครับือหายความสังขารดับถูกไหมทุกไม่ปุงแต่งอเหมือนกันนะครับหมดสังขารหมดสังขารแล้วเออสังขารสังขารแล้หมดหมดความคิดหมดเอาอีกนิดการุงแต่งหมดความบุใจปรุใจนี้เหมดสิงนั้นเยอะหมดไปหมดแล้วสังาร มันหมดแล้วอันนี้เรกว่าเนา้ำดน้ำดับึ้มนามาคิดนาด้าดำไม่คิดนะค ร, รับว่าคือไม่คิดหยุดคิดน้ำดำหยุดคิดแวมันหมังดุจทานหยุดแล้วก็หมดทั้งดุดางน้ำอยาว่าครับแคนี้คำว่าหยุดคิดเนี่ยครับผมเ อ, อ่อมันจะไปคล้ายๆมันจะเป็นมันจะเป็นว่าจิตมันจะไม่ได้ทำงานหรือเปล่าไม่ทำงานอะไรเลิกทำงานแล้ว มันมีอะไรงานมันมีงานจะทํำแล้วือวังหมดงานหมืดงานขาดทุนหยการครับครับแต่ใช้หมดเน่ยขนาดนี้ที่เรานั่งอยู่คุยอยู่นี่ครับคิดมันมันมันัก็คุยไปตามปกติแต่ว่าความว่างมันอยู่นะครับความยึอย้ายนั้นนะความอยึดย้านี้ยึดไม่ยึดยึดแล้วก็ไม่ไม่มีตัวมีเงินอะไรไม่มีการตรงแต่งไม่มีการตรงแจงแล้วจะดูเลยเห็นตัวเห็นเงิไม่มี ไม่ยึดถือตัวตนไม่ยึดถอลูปชิ้นไม่ดูหมดไม่ยึดทั้งหมดเลยแต่ว่าการทำการตูวตัดใจนี่ยังเป็นตารรมธรรมชาติให้เป็นให้แบบทงร้วธการทธรมชาติครับผมแรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติทีเป็นธรรมชาติทงชิดไม่เกาะชืไม่เกาะไม่เกาะกินเฉลิมเล้มฟูแล้วไม่เกาะเลยครับผมนั่นนินวาเอาครับวางไ้ตัวร่างกายที่จ้อี่ย รูปกับนามกัดับอนี้มันก็เหลืออยู่ตัวว่างนะเยอะัวตัวว่างนี้เขเรียกอะไรครับที่เป็นเขาเรียกเป็นอะไรครับผมเป็นธรรมะหรือศาตร์เรียกไเรียกว่าตัวเป็นผมมาที่สูงสุดตตรงนั้นตัวเอธรรมะที่สงสุดวนที่ใช่จริงตัวตรงนั้นใช่มตัวนั้นใช้ชืออะรช่คือยว่าใช้ชื่อกระดานี้มีชื่อดอกจว่าได้ชื่อสมุทิมาชื่อหนครับเพียงวเหลือนามกายนามกาย ชื่อว่านามกายนกาคือคอชื่อว่างนี่ บาวบ้าวบางคือมันบ้าเป่อย่างนี้อะไรเป็นคู่อยบ้างแค่เนิีคุณแม่ว่าเราจะคุยเราจะคิดเราจะอะไรเช่นที่จะต้ามบทถสร้างศาลาสร้างวิหารแล้วก็ทไปตามธรรมชาติมันพอทำหน้าที่ทำามหน้าที่แต่จุดไม่มีความหน้าร้อมียึดถืออะไรไม่ยึทแล้วก็เลยไปเดี๋ยวยืนแนตัวสืารตัวครื่องตปัญญาัญา เรามันถึงแล้วควาสะแต่ครับผมไอ้ตรนี้จะเกิดความคล่องตัวใช่ไหมครับผมไม้ไม่มีการอึดานัใีอะไรแล้วไม่แล้วครับเพราะว่าบางทีคนนี้ปฏิบัติก็มักจะบ่อยน่งนินไค่เราะอันนั้นันนไม่นขั้นอะไรเลยไม่หนาครับนิ่งชิ่งชื้นอันนมัไม่เป็นธรรมชาติเพกดบังไว้จะไม่ถึงนนิ่งนิ่งชิ่งชื้นอันน อันนี้ไม่ใช่เฉยใช้เกยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้มันรู้เหรอไม้ข้ามันมันพอไปหมดแล้วครับรู้ถ้าเทวะรู้รู้แต่เทวะเขาไม่ยอะไรกันอย่าราสนที่ยังปฏิบัติไม่ถึงนมันแต่ไม่เข้าไม่รู้สภาบัตรงนี้ไม่รู้สถาบันหรือเปล่าเพื่อเไื่อเอาไปคิดเอาไปตัดชฉยๆเอาเองมันไม่ได้ครับแล้วเราจะเราจะต้องัย่า เป็นีานหนึ่งเป็นยานเป็นเฉลี masa, ma ่ยม ma ันร no ha ู้ถความเฉื uh, bo, ่อยฮา้ิเลมมันมดความสงสัยไม่ต้องไปํามใครประเด็นรู้เลยทั้งข้าวไอชิดชาว่ายังไม่รู้พูดให้รู้ก็รู้ไม่ได้เราชอบจินี้ครับผมมากิตรงนี้ครับผมพะปฏิบัติไปได้มาเกิดความสว่างเทยเฉยตอตรงนี้ไม่รู้จะไปตรงไหนทอยงไเพราะไอสว่างตัวนี้มันจางอยู่ระดับยังไง ไอ้สวงตัวน no ี้คือมันแบบโอกาสโอกาสเฉียนสองขนาที่ใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้จะแก้ยังไงออไเสอแล้วไปสทุกกินออกเแรู้แถ้ารู้มถึงว่าจะหลงอาไ้ลกรกนสลงร ถึงต้องไปเจอดาอยู่ไกลถึงอะไรเนี่ััมัน้กที่นี่อะมันเ็นครับและรไครูระไไเห็นมไหลงอร่งกอนั่นแหะครับี่ี่เห็นแสงได้ต่างๆเราจะไม่เห็นแับมาดูจิตดูยังไงก็พี่มาดูจิตมาดูจิตดูจิตได้สิ่องนั้นอที่เรามาิาาพอมันนี้ตอมีจิตจิตหมด ยังไม่เอาไปดึงกันยังดึงไม่ได้ครับไม่เอาไปดึงจะดไดึงดีกแล้วก็มาเอาเคลียรว่าละอาชีพนะครับเราดูชิพเลยครับแล้วคิดิพแลครับนั่งชิพจริงไม่ต้องไปเรียมาไปทำอะไรดูดูนสุดท้ายแล้วมันข้าศึกอะไรที่สิงจ้งข้าศมันจะมีสิ่งนั้นเลยครับดูสิ่งความจริงแล้วมันมันมันมัดความสุขได้ครับ้าเรูสิ่ง ทืความตก่นหรือโดยเดิญญางอะไรมาแยกทุกข์ออกต้องมีอะไรมากห้เขาควรจงกรปฏิบัตินะครับผมเร้ต้องปล่อยจิตสบายๆใช่ไหมครับไม่ไปบังคับไม่แต่อะไรเไม่บังคับเลร ก็บางคนอนหนูแ้วทำไปก mm ัน hmm. ท like mm ี hmm. ่ตรงนี้ฉัมาธิเว่าไปทันกรมียอารันน์มาพุทโธทันทีเผื่อพุทโธในฝังยันจิไม่พอใจเราไปเขียนเล่นันก็ได้ก็พุทโธโาปผู้บริกรรมไม่ินผูวไม่ต้องว่ากพสดที่ของเราผู้ว่าู้ว่าพุทโธอยู่ตสังสีรงนั้นไม่ทำบริจูบริกรรมบริกรรมได้ครับ แต่อนน oh. ี้ไปเข้ากับเรื่องที่หลวงปู่อธิบายวับการที่เห็นแสงเห็นโอภาสเนี่ยก็ตรงนี้มันเป็นจังเาครับในหลักสมาธินี่อยู่อยู่ว่าหลักคือว่ายึดตรงออกนอกไปสมุดไทยใช่ไหมครับมันมันจะเป็นอย่างนั้ชิดไปยุดอย่างไปไปเชียวอยู่นั่นแหละวราจึงพาไปเห็นหรืออะไรตรงม่ไม่มีชินุดโอกาอยากเห็นอะไรเห็นอยารู้อะไรอารู้มันรู้เองหรือว่าชิ้นสีไม่ทัน รู้แลกไออรูที่ามันรู้เแล้วยนอะมันหนนั้นแล้วรู้อะรมันรู้อนั้นมันพุดขึ้นมาให้รู้นะใจสิ้นพุ่งตัวตัวเปทั้งหมดเลยครับผมมันใชจริงจริงเอเราเปียนไปหน่อแล้วแต่อาชิตเมื่อเราไปยึเอาคุณไปหนองานอาชีที่เห็นนี้เข้าใจเป็นจริงจริงเข้าใจาก็อย่างนั้นเองเข้าใจเป็นจริงจริงิไม่ใช่จตัวเปลี เงอะไรเนี่ยันช่ัฒน์ i. I ่ทุกเรื่อ่ทีุ่ชช่ทุกตัวามีชายคนที่ทั้งหมดเลยของทานอกแถ้าทารกตัดมันจะนำอย่างก็ต้นตออยู่นี่มดิตการคิดนคิดว่านางตเมีัสิ เราตั้งคิดเห็นจิดเห็นคิดเห็นคิดตั้งสุิอินทีย์เห็นสิงเลานั้นเราสาเหตุกำหนดเดืองกันไปเราสหหดหมายความว่าวิีเราดูว่าไปเห็นตามันนหมายความว่าเราไม่ได้เข้ามาแล้วก็มันเราเลืองไปเราเลืงไปแล้วใารจะวามดูผีโลกไปตามมันแล้วนยันจะสองใช่ใชนในระยะตัวเราถือตาันทั้งหมด สุดท้ายจะเป็นบ้าใช่เพราะน่าจะวางไม่ได้เป็นบ้ า, บ า, างครั้งห <laughs> ่งแต่ตอนนี้มีปัญหาบางคนที่นัางแล้มีตัวหมุนบ้างมีตัวโค้งบ้างมีตัวลอยบ้างอันนี้จะแก้ยังไงอยู่ในจี่ชิดมั้งหมดเลยอยู่ในที่ชิดทั้งหมดที่ิทั้งหมดมีสก้าที่ชิดคาร์ิวที่ิดมีหลายอย่าง การท่ทำพิธีะไรพิธโอเครินคาพีอะไรมีคนลอยแต่นั้นนี่ก่อนนี่คือยังยังเอาได้นี่ถ้าเป็่กับผมมาให้เกิดก็ธีด้ในจิตก็กลับมาดูจิตนงเรีนในจิตสังคตหรอมีันนั้นกระทาไรน้อยคามคดข้าเรอยู่เนเนื้อเนื้อพิจิตรนั้นอีกทำอยู่เนื้อิจิตรนั้นอีกที่นี่ทำอยู่เนี่ยทั้งหมดเลยไม่าำพิี้ม่มอะไร แ่การจริงเรืนี้มันยากมากเพราะว่ากา้สมาธิมันมีตัวมีตนอะไรเล้วก็รับแมื่อดรใ้รู้จิตจริงมันก็สั่งนั่นล่ะเมื่อวานในวัเดียรมันซื้อนี่คผมเรียนถามท่านอาจารย์เทียนทียนทียนบอกว่าให้นั่งสมาธิจิตมาที่เฉยแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเอง เป็นยังก็เกิดใจสมาธแล้วครับไม่ต้องเอาอะไรมาพิจารณานะไถ้าพิจารนามันนี้เป็นการอะไรเาสัญญาใจพิาณจิตนะพิจาณิจจิตจะรู้จิตรู้จิตญสาเฉยคือจิตรู้จิตถ้าเรารู้จิตชัดเจนแล้วหมดสัญญาแล้วไม่ต้องรู้อะไรจิตอะไรก็เรื่องิจ จิตเอ็นจิตไม่ไม่ใช่ของคนจังมันเป็นอะไรมาใับสมนภูมิการสุนทรภัยได้หมดน่าจะซาดิส <sequences> ใ hmm. จสมารถใช้ชีวิตช erm ีวิตชีวิตแต่เราอยู่ในมือของดีใช่มีความคิดสงออกนอกตัวคไทยนอกระเทศจนไทยผลของสุนทรภยเป็นเกิดทุกข์เนกเดสองอทุก ผลเห็นจิตอย่แจ้งเป็นนิโรธจิตเห็นจิตเป็นตัวมัดเห็นจิตเป็ผลของมเป็นตัวนิโรคนธมาิผลเห็นจิตเห็นจิตอย่างแจนจนนั้นเนนิโรธเห็นผลผลเห็นผลของจที่เห็นจิตเห็นนนเป็นตัวมการเห็นปัจจุบัเป็นตัวมรดแล้วกระดับมัดอันนี้เรเป็นเป็นผลครับเป็นนิโรธเป็นตัวนิโรธที่นดับทุบไม่มีทุบ นี่เป็นนย yeah. yeah. uh huh. uh huh. mm. yeah. ี่ปเพราะฉะนั้นเกหร็คือกคืออรมาน้งทุกข์ก็คือนทนทผเหมนเนื้อโลกเป็นผลคนของของสมุทัยเป็จทุกข์แลผลของของมันคือตัวนื้โ คำว่าจิตด <Lock> er. ูจ nah, no ิตหมายความ่าเอาสติดูจิตคดจะไหลไปรู้ิตก็คืปรู้แล้วก็การสิดให้อยู่ในนั้นใน้อยู่กับเพื่อสติจะลึะอยู่นี่ยผู้จิตกับสติเองการคิดเป็นคูกันเป็นอันเดียวการคิดคิดสัสนเป็นความิ่งเดียวกันมีแตกต่างกันเลย การใกลางทังหลายเกินแต่เรคิดผิดๆฉะนั้นย้อนนำเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายจะคงทุกชีวิตหยุดยิ่งแต่เราใจผิดมันก็สร้างกรรมเองที่สิ่งเดียวตะเกียงจีาอะไรๆมันขามดมันมันมันากันหมแล้วกิเลทหารเรมลวมันมีอะนั่นไม่หมด ขี่แร็ตัดคือด็ดัหาปาทานหมดคือข้าวอาหารเนี่ยครับผมก็แล้วิจตอนนั้นยังอยู่ใช่ครับผมก็อยู่อยยังไม่มีภงแกงอะไรนั้นไม่มีตูแกครับแม้แต่ละทังขาแม้ที่จุดนั้นเลยจุดที่ทำคือจุดที่ทำเพราะที่ทำของเรานั้นไม่ได้หายไปจากเราแม้ในขณะที่เรากํ็นอางหลงผิดอยู่ในวิชาและไม่ได้รับกลับมาในขณะที่เรามีการตัดสริน ทันยันยะที่ชาติสุริยะรู้คุณสุริยะรู้ทันยันจีงเป็นธรรมชาติแห่งูสัจฉตาจิตเนี่ยธรมชาติอย่างไรเป็นธรรมชาติแห่งภูสัจฉตาคือมันมีอยู่อย่างนั้นเหมือนเกิอยู่อย่างนั้นอัศจรรของเรามันมีการเปลี่ยนใจ มีการ เ, เ, เปลี่ยนแปลร็จจุระขาดอมเ่องกาข้อขอ้ไม่มีังจิตไม่มีงงทั้ิจาอื่จุดไม่ไ้คิดก็คิดดูตัวคิดเอง ไปยึดกับมดมดมดหยิบมดคิดใช่ไหมครับผมก็คิดมันอย่างเดีมันไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนครับผมอาวิชามก็อยู่ในนั้นมันก็แต่จิตมันเป็นจิตมันลงคิดไปตามอาวิชามันก็อยู่ในนั้นยึดตัวนั้นครับผมมันนี่อย่ยงนั้นเองอยู่ยังนั้นเองมันไม่เปลี่ยนใจพออวิชาครอบงำอาิชาจะทิ้งอะไรก็ทิ้งไ้เารก็จยสจัินะ แลีปัญญาเกิดขึ้นจิตญาเกิดขึ้นจึงจรมีความเจิด้วเธอรู้แต่รู้ครับนมีเรแต่รู้เปมขมมไปครับผมก็เห็นเรื่องนว่าจิตขเน่จิตแท้แต่พจิตรับครับอารมณ์ต่างๆเข้ามาตะนี้พอจิตรู้จิตรู้จงพอรู้มาแา้วการจิตละครับผมเพราะละไอจิตดัหาออก ตอนนี้ก็เป็นคิดลดทรัพงานคือละเนี่ยนะเราละยังไงอันนี้ก็เปรี่ยนของการี่สูจเลยครับละมิสุขนมันก็ไม่ได้สุรามนี่สงราชสังกัดได้ดับต้องละมิสุขามถึงได้ละมิสุที่เรีบตามต้นทุนธรรมเราเรารู้เลยยันไเอานังมาแก่เอาหนันมาแก่ไม่ได้ครับ ไม่รักใครับผมนักเรียท hmm. ี่เไม่ที่ว่ต้องต้องดูจิต้งนนน่ดูจเรงม้ตั้งอนี้ิอะไรีขได้ดราแต่ถ้าดับตันั้งหมดมับได้ม่ เพะจิตแห่งจิตเป็นสิ่งก้อนเล็กๆทั้งหลายเรียกว่าวิญญาณเมื่อมีวิญญาณแล้วก็เริ่มวิธีแห่งความคิดนึกวิธีแห่งกันหาเหตุผลเพราะ่าจิตแห่งจิตแ่ะรูปจมวินาณประเภทต่างๆเมื่อวิญญาณระเริดอารมณ์สงบเกิดขึ้นก็จะเฉลียรู้ในวัตถุแห่งอารมณ์สบนั้นจากถอนสงดงนั้นจิตของาีปจน่ามาจากแรงกระ้นของภวะจิตแหงจิต ไม่าว่าบุคคลนั้นจะปฏิบัติจิตในการเชื่หรือปฏิบัติจิตในทางดีก็แล้แต่ว่าควาจราิงแล้จิตจะอยู่ในอารมณ์ชั่งได้อยู่ในอารมณ์ดีหรืออยู่อารมณ์ชั่วอารมณ์ชั่วเป็นลักษณะของสามัญชนอารมณ์ดีเป็นลักษณะของสุนนชนาเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นของคู่ประเภทของการเข้ า, ขาฝังจิตอยู่ในในใสใิสัยแทนเพราะว่าจรง้จิตตรงนี้ของคู่คืออะไร ช่วสูงความอะไรได้บ้านเขาอะไรมีเป็นคู่คู่ธิเป็นคู่กันจริงเป็นเนื้อเดียวกันหมดเขาแยกคู่ไม่ได้แล้วกันนะจู่นั้นตัววันไม่ซ้ายใมขวาไม่ซ้น่ขวากถ้าไม่มีทั้งบุทั้งบาปยเนื้อบุญเนือบาเบุนบบาเนื้อสมุดเยเมือนกเนื้ออันนี้ัำทุทงอันตายเมื่อหนเ สมุดดาทุกครั้งนจังาตาเหตุผลอะไรนี่ยมันยืนนลกอาชนนอยู่ในเหตุผลเนมออยากวารุษุมันอยู่ในโลกเนื่อตลีย่นลกสั้งสามกลางมาพบคือบุคคลอาบุคภัณยุนทังหมดอาบุกว่าเหนไมื้อเห็นื้อผทั้งหมดเมื่อเหตุเนื้อผลทั้งหมดนี่เหตเนื้อผลมันยืนลำพีราลกทั้งหมด อยทันแค่นี้ก็ปัันไปทุกทุทก็ยังไม่ค่อยได้โทรศัพท์ก็พอบางทีก็ใชบงีก็ยครับถ้าพูดอย่างนี้เวอมาแล้วก็พูดอย่างนี้ก็ความถ้าพูดอย่างนี้ก็อารมณ์อยนินึงตกับเปลาหูใส่หูขวายถ้าพูดในอะไรไม่จริงใจกิติงใ ตอนนที่หลวงปู่เลิกดนชุดดงนั่นแลวหลวงปูง่คงคงคงพบทางแล้วับถึงกลับเขามนในเมืองชอบพูดยากมาใช่ไม่พลูลยากมาใช่แล้วก็ <c oughs> เลยทำมาพูดตรงนี้จะไม่จับมาปฏิบัติจับเรามาปฏิบัติแล้วที่ด้อะไรในที่แบบนี้ทคืออท เพราะว่าถ้าผู้ปฏิบัตินียังไม่เห็นทางอะไรพขอเข้าเมืองมัจลุลเก่ ง, งยิ่งเสียวเราเยอกรูปขอด้วยธาารรมะคิดฤทต้องละผล้องละใช่ มีก็หมดค้นเหตุเลยเหตุต่างๆเป็นต่างๆใจนั้นแะ่ก่อนยินเหตุในคนนั้นมีในเหตุคนผู้ที่เกิดมีหมดหมดเกยหมดใจหมดเลยและไม่มีชีวิตและไมมีชีวิตในจักรวาลนี่นั้นไม่ควร่วมแล้วมีรูปกับนามสองอย่างเ่านั้นงามเป็นคือที่ความร่างของจักรวาลเข้าคู่กันต้องอยดเชื่อตัวอธีษฐานตัวเชื่อ สิด้ามีรูปสิ่งนั้นตรงนี้ะมีนามสิ่นันรูปรูปนามรูปองการสันเกตตัววิชาตัวเวทเวทวิโกตัววิชาพิฆุดโกตัวิโกต์ถ้าอันไม่รู้นามรวมกันมันจะกออกจากกันไม่ได้ับคือวันนั้นนั่งอยู่คิ่เขบอกขึ้นมาเองว่าเมื่อ มีรูปรูปก็ดับนามนากกะดับส้องดับทั้งรูกท oh, wow. ั้งนามเราทั้งยางเรืองรู้เนี่ยสัจจคัญยังมีก็ดมีอะไรเราจริงบอกว่าเมื่อรูกแบบนามกะดับแต่หลวออยู่นันเป็นอะไรนั่นคืสัจจคุณรัจจคุณอยู่รูปนั้